ใช่ไหมแม่โคเนี่ยเวลากินหญ้าไปเนี่ยลืมลูกไหมไม่ลืมฉันใดพระภิสูจน์เหล่านี้ถึงท่านจะทํางานอย่างอื่นอยู่ก็าตามแต่ใจของท่านก็น้อมไปในอธิศีละสิขาน้อมไปในอธิจิตตสิขาน้อมไปในอธิปัญญาสิกขาน้อมศีลให้เจริญยิ่งขึ้นน้อม ส, สมาธิแล้วก็น้อมปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นอริยสาวกย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า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 ก, ก็อย่างที่จริงอ่ะนะก็มันก็ควรเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนะทำจะทำงานอย่างอื่นประกอบอาชีพอย่างอื่นใจก็ต้องเพ่งเล็งไปในอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่างว่าเราายเรื่องไหนมันก็จะได้เรื่องนั้นใช่ไหมายเรื่องไหนสนใจเรื่องไหนเอาใจใส่ในสิ่งใดก็ในที่สุดใจของเราก็น้อมไปเป็นเช่นนั้นเพราะาอะไรเป็นสิ่งที่เราควรฝักใยเสาะหาสะแสวงหาควรที่จะเพ่งเล็งเลยเนี่ยก็คือ อธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะทีนี้ข้อที่6กเนี่ยนะยานที่6ของพาริยะเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายอีข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภลระใดพลระคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภลระคือกำลังเช่นนั้นภิกษุทั้งหลาย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 ทุระได้ตอนนั้นพอดีเลยนะมีเรื่องด่วนตั้งหลายเรื่องอยู่ในใจต้องรีบทําให้เสร็จเนี่ยนะแต่พอถ้าไม่ฟังธรรมก็ไม่เหมนมีอะไรต้องรีบเลยนะพอเริ่มฟังธรรมปั๊บก็โอโ้โหทำเป็นรอบคอบขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนรอบคอบเหมือนมันจริงเทอมไม่จริงอ่ะนะพอเลิกฟังธรรมปั๊บก็หมดธุระเหมือนกันเนี่ยนะตรงนี้มันยุ่งมากเลยสงสารแต่คนแสดงนี่แหลนะก็บอกว่าภระรยาสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่รักการฟังธรรมเนี่ยนะ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 คำนวณตัวเลขออกมาแล้วปีหนึ่งกี่สิบล้านเหรียญก็วางกันไปบอกวันี้ขยันทําแทบตายเนี่ยนะบางทีเขาทำตายเลยก็มีถามว่าทําไมเพราะมันเห็นกําไรเนี่ยนะชันใดผ้ารยาสาวกที่เขาฟังทำเนี่ยเขาเหมือนเขาเห็นกําไรแล้วว่างานนี้ศรัทธาเขาต้องเพิ่มขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้งานนี้ฟังปั๊บศีลของเขาจะเจริญขึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ฟังปั๊บรู้เลยว่านี่ฮีริโอตตะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านี้ฟังแล้วสุตะ นิยต่างๆเพิ่มขึ้นจารค่าเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นฟังแล้วสติประธานเพิ่มขึ้นสำมะประธานอิธิบาตอินทร์พีละโพชงองค์มัคเพิ่มขึ้นฟังแล้วแมมนน้อมไปเพื่อบรรลุมรดผลนิพพานดูท่าท้ายางเงี้ยบรรลุได้อย่างแน่นอนในคนระดับสูงคือเขาเห็นผลกําไรของของการ ของการฟังเนี่ยนะมันเขาก็เลยรักการฟังธรรมและอย่างหนึ่งที่เขาบรรลุเป็นพระอริยะได้ก็เพราะการฟังธรรมมันการฟังธรรมก็ยังเป็นสะพานเชื่อมไปหาการตรัสรู้อย่างอื่นอย่างอื่นก็เลยมีใจรักที่ในการฟังธรรมเพราะพระอริยะสาวกทั้งหลายฝากฝ่กในการฟังธรรมฉันใดตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นไหมสํารวจดูบอกใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆรงนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจด้วยนะนัะ ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยตรงกันข้ามเลยก็กรร ม, มะสะโกมหิกรร ม, มทายาโทกรร ม, มโยนิสัตว์ทั้งหลายมาด้วยกรรมของตนเขาก็ไปตามกรรมของเขานั่นแหละเห็นไหมเราคงไม่ไปเป็นแฝดกันหรอกมั้งนะพิกษูทั้งหลายอีกข้อหนึ่งอริยาสาวกย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดเราเองก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นพิสูจทั้งหลายก็บุคคลถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไรภิกษุทั้งหลายภละนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยะสาวกเมื่อธรรมวิไนที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่หรือบัณฑิตแสดงอยู่ซึ่งธรรมวิไนอันพระตถา ค, คตรประกาศแล้วย่อมได้ความรู้อัฏฐะฟังแล้วก็เข้าใจ เนี่ยนะคือคือไม่มีชั่วโมงฟังทำชั่วโมงไหนฟังไม่รู้เรื่องไม่มีเลยแค่เรื่อรู้ทุกคำเนี่ยนะไม่ไม่ไมสงสยัยไม่อะไรทุกคำเลยนะรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคเนี่ยนะได้ความรู้เพิ่งมีปีติปราโมทย์ที่ประกอบด้วยกุศลธรรมเนี่ยนะฟังแล้วก็มีปีติฟังแล้วก็ปีติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น so, ไม่ได้ยิ่งฟังยิ่งแห้งยิ่งฟังยิ่งแรงเหมือนเดินเมษาเนี่ยนะก็ไม่ไหวแล้วเมษาฝนก็ไม่ตก แดดก็ออกเปรียงปร่างและมีธุระต้องพาแดดอย่างเงี้ยนะโอ้ทุกแพ้เนี่ยนะไม่ใช่จิตใจใหแห้งแรงแบบนั้นเนี่ยนะก็คือจิตใจปลื้มปีติไปในกุศลธรรมดีใจที่เข้าใจอัดเข้าใจธรรมมีความปราโมดมีความปราบปลื้มในกุศลธรรมอริยาสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยภะละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยภะละเช่นนั้นนิยานะที่เจ็ด เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันพระอริยาสาวกนั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะทีนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมดาอันอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจประการประกอบด้วยองค์ก็คือโสดอะไรองค์ของโสดาปฏิมรักหรือองค์ของพระโสดาบันเนี่ยนะองค์ของผู้สําเร็จโสดาบันแล้วอีกในหนึ่งถ้าเห็นทั่วทั่วไปเนะี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นยังไง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 ปฏิจจสมบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมแต่ตรงนี้เนี่ยนะโสดาปฏิยังฆ่าธรรมอีกในหนึ่งว่าอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์ทั้งเจประการนี้ย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสดาปฏิพันธเป็นพระโสดาบันอย่างแ น, น่นอนแล้ก็มาเช็คดูนะข้อแรกก่อนอกุศลกลุ่มรุมไหมถ้าอากุศลไม่กลุ่มรุมแนละ้วตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจไหมข้อแรกอกุศลไม่กลุ่มรุมตั้งจิตเพื่อรู้อริยสั์ ตั้งจิตเพื่อตรัสรู้อริยสัจอย่างเดียวอันนี้ข้อหนึ่งนะตัวในครั้งข้อสองข้อสองปัญญาตัวนี้ที่เรารู้เราเห็นเนี่ยเจริญแล้วน้อมไปเพื่อดับกิเลสไหมข้อสาม ท, ท, ทิที่เราเห็นเนี่ยมันตรงข้ามันเป็นไปกับลัฐที่อื่นเนี่ยมีไหมมีอยู่ในรัฐที่อื่นไหมนอกจากในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างที่สอย่างที่4นี่เป็นยังไง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 หมายนี้ก็ไม่แล้ว อ, อุปมาบอกกินไปดูไปเนี่ยนะดูทีวีแล้วก็กินไปดูไปฟังอะไรเป็นต้นเน่ยกินไปดูไปได้อะถึงทําอย่างอื่นก็คิดถึงคําสอนได้เสมอเนี่ยนะบางทีก็บอกเขาคิดถึงบ่อยบ่อยชั่วโมงละครั้งเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยบ่อยชั่วโมงตั้งตั้งชั่วโมงครั้งหนึ่งนะเรื่บ่อยอก็คิดถึงเท่าไหร่หรอตรงเนี่ยเคยทําอะไรแล้วผวางบางเรื่องไหมทําด้วยความผวงางได้ทํำยังไง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 พูดเบื้องแรกเลยกล่าวถึงการทะเลาะวิวาทใช่ทะเลาะวิวาทแข่งแย่งชิงดีเสร็จแล้วพระองค์ก็ระงับการทะเลาะวิวาทด้วยแสดงสารานิยธรรม6ประการทำเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงการคือเมตตากายกรรมเมตสองเมตตาวจีกรรมสามเมตตามโนกรรมสสาธารณโภคีห้าทิฏฐิสามัญญตาหขอไปห้ี่ละสามัญญตาหทิฏฐิสามัญญตา ทิฐิสามัญญาตานั้นสำคัญที่สุดในสารานิยธรรมเพราะทิฐิสามัญญ า, าอั น, นี้หมายถึงโสดาปติมัคคสัมมาทิฐิเป็นทิฐิที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นความเห็นเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาของผู้ที่บรรลุมรรคผลเบื้องต้นที่บรรลุมรรคผลคือโสดาปติมัรคสัมมาทิฐิผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะมีปัจจเหตขณะยานยานเครื่องพิจารณาอีก เจ็ดข้อข้อก็คืออกุศลไม่กลุ่มรุมอยู่ในใจตั้งจิตเพื่อรู้อริยสัจสองปัญญาตัวนี้เจริญแล้วดับกิเลสได้จริงสามทิฏฐินี้มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นสี่อ่นนะเป็นผู้ที่มีอะไรน ะ, ะเป็นอบาบัติแล้วก็น้อมไปรีบทําคืนเนี่ยรีบเปิดเผยตนตามความเป็นจริงเหมือนเด็กเหยียดมือไปโดนไฟห้า แข่งเลงในสิกขาสามเรียกว่าทำอะไรก็ไม่ลืมสิกขาสามหกเงี่ยโสดฟังธรรมเจ็ดฟังแล้วก็รู้อัจรู้ธรรมแล้วก็มีปราปีติปราโมทในกุศลธรรมเนี่ยนะท่านก็เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงสูตรนี้จบลงพระพิสูจน์ทั้งหลายก็ชื่นชมอนุโมทนาในาพระสูตรพระธรรมทั้งหมดนี้เนี่ยนะแต่ว่าเลิกทะเลาะ ก, กันไหมไม่ องค์ก็แสดงคือคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยน ะ, ะก็น้อมไปเ อ, เอาเอาเน้นเอาผู้ที่มีบุญเป็นหลักะนะส่วนผู้ที่ยังทะเลาะ ก, กันก็ให้ทะเลาะ ก, กันต่อไปแล้วกันงนั้นเถอะแต่เก่งพวกใ น, ในในในพระสูตจริงก็ยังไม่เลิกทะเลาะ ก, กันนะก็ยังทะเลาะ ก, กันต่อไปแต่ในที่สุดพระพิสูจ์ที่ทะเลาะ ก, กันทั้ง500ร้อเหล่านั้นก็บรรลุน ะ, ะฝ่ายละห0า้นะบรรลุหมดเลยไม่เหลือขนาดว่าผู้ที่มีเรียกว่าชาติสุดท้ายจะบรรลุแล้วเนี่ยนะ ขนาดนั้นเวลากิเลสมันเล่นงานเข้ามาน้ําขันเดียวก็ทะเลาะกันนะนะรองเท้าข้างเดียวก็ทะเลาะกันเป็นต้นนะมันไม่ ว, ว่าเลยเป็นอย่างนี้แหละ ว, วันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังนะนะพระธรรมคำําสอนก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แสดงประกาศเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะขอให้เรามีส่วนในการเจริญข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรัสรู้ตาม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 ทางสถานีวิทยุ1นึ่งปนหนึ่เวลาเจ็ดนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาและ21นาฬิกาถึงยีนาฬิกาทั้งสถานีวิย 35, ว 23. ทวยุเพื่อการเกษตร1 3 8่งเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาสนใจซีดีหรือ MP3 ติดต่อดีที่โรงพยาบาลนวนาครนถนนพุ่มหนโยธินโทรศัพท์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 เชสิกันเชวินโยชสุสि त ธห์โอศุภาสิตาเชยจ